โยมาันมาทัน่ล่ะออเไม่ได้สบายเลยอ๋ อ, อ่มาสวาย ไีเก็บเตียงเป็นยังไงอยากอยู่ตอสบายปะภาวานาดีกันอ๋อมัก็คเือกันสิ่อยาก โ, <อ>โย้ยโดย้วยใช่ไมมันภาวนาดีภาวนาดีก็อยู่ตอม่หายากพี่นี่ไม่ได้มีใครมาจุง้งหังแต่เจ้าเข้าี่ <c oughs> เดียวอย่างเดียวที่มันที่แคบมันอยู่ใกล้กันหน่อย <c oughs> อยู่ใกล้กันหน่อยถ้าหากไม่ตั้งใจคุกคีบางคนก็ไม่เคยเข้าทำความสงบอยู่ดรืยกับการพูดการส่งใจไปบ่อยๆส่งจิตบ่อยๆคนทางโลกส่งจิตแล้วก็คุยกัน ถ้าผู้ปฏิบัติทำทรงจิตแล้วไม่คุยปิดเสียงรูปเสียงกินปิดหูท่ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากคัอบ้างแล้วนั่งดูบุญดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกแค่นั้นดูเป็นหมื่นๆคนั้งกุศลการแต่ไม่มีเสียง ได้ยินแต่เสียงพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวดูการพิสูจทั้งหลายท่านทั้งหลายจกงกำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทรประโยชน์ตนก็คือทําความสงบความนิ่ง ป, ประโยชน์ท่านถ้าประโยชน์ตนได้แล้วประโยชน์ท่านตนัเงียบ ทำลายประโยชน์ต้นทำให้ใจฟุ้งซ่าน้ก็คุยคนอื่นก็รล้ำค้าอีกนั่น น, น, นั่นไม่ใช่ประโยชน์เนี่ยทำให้เสียประโยชน์แทนที่จะได้นั่งฟังครับจิตใจก็เลยปล่อยชิดปุุงแล้วก็พูดออกมาอีกมันเสียสินแล้วเห็นไหมล่ ะ, ละคิดเฉยๆผิดธรรม คแล้วออกมาพูดอีกมาทำอีกเสีศสินเิ <c oughs> ียตั้งสินตั้งทำด้วยมีอะไรเลือสินก็เลยได้อย่างเดียวคือคุยกันไม่รู้ว่าความผิดความถูกมันเป็นย่งงนั้นะถ้าไม่ดูบุญไ้เห็นแต่บาป <c oughs> บาปเป็นเอกได้เข้าใจไว้ปาดก็วนี่ปากตัวนี้ เป็นเอกเด็ก อ, อันดับหนึ่งถ้าพูดเรื่องดีก็ได้เอกถ้าพูดเรื่องชั่วก็เป็นเอกเอกทางทั่วเอกเอกทางนรกกอควนหมูพวกน่นจึงให้อยู่ด้วยความสงบโดยเฉพาะในตั้งสัจจะไม่พูดไม่โกยเป็นดีที่สุดนั่นให้ดูเป็นดีที่สุด ดูแล้วไม่พูดด้วยยิ่งดีที่สุดพูดแล้วพูดด้วยต้องมีสติถ้าจูสองต่อสองพูดไม่ให้เกินหกคำเรื่องโลกิยะไม่เช่นสุดเข้าวัดต้องนิ่งดูลมเข้าลมบอกลมเข้าลมบอกนั่นแหละทำบุญบุญอาหารใจทำทานก็น้าโภชนาะอาหารอาหารกายเห็นไหมมันยุ่งไหมล่ะ บอกให้ปาจีจเลช่วยพระเอาไม่ปากนี่ก็ไปถกใส่ถุงใส่ห่ออยู่นั่นแหละ้าไม่รู้เท่าทัานเิเลก็ได้บาตรต้องคนให้ได้บากต้องคนรับชงเสริมโจรป้นพระศาสนา <c oughs> พระเจ้าบอกให้ดังหนึ่งทำไปจังหนึ่ง ันหล่จิเลตตัวหัวเอาตัววอรอดแค่นี้ยังทำไม่ได้จะไปสวรรค์ น, นิพพานได้ยังไง <c oughs> โอนอดก็อดแล้วก็อดดีอ ด, ด, ดใจไม่ได้ทำใจเท่าทำตามใจทำตามน้ำมันไหลไปตามน้ำน้ำจิเลตัญหาอิงเยอะ กือใจจะไล่ไหลไปทางโลกไหลไปทางรักมาจากไหนตันึ่รักมาจากไหนมีเรื่องวุ่นวายกัอนอย่มี <c oughs> เรื่องมาลาวีปัญหาการทำต้องหลายมีปัญห า, า, ห i, ม, ญหามีเหตุเหตุปฏิโยมีเหตุเนี่ที่จะทุกข์ก็มีเหตุเหตทุที่จะสุขก็มีเหตุแล้วมีเหตุสุขเหตุทุกข์นะทีนี้เราจะเลือกเอาอยัางไงตัึงถ้าผู้ปฏิบัติทำตามคําสอนของพระพุทเจ้า ถ้าป่าไปมันก็ชกไปหมดอะไรมันก็ไม่มีอะไรเหลือแสดงว่มมาใจอะไรมันก็สบาย ไ, ไปไปยึดถือหนวนยึดนี่ไปยึดโ น, นยึดนี่อุบายอย่างอื่นมันก็เสริมเข้ามาอีกอมันยากเวลาไหนเวยาเวลาเข้าสมาธิมันไม่เข้าเพราะเราเคยตามมันตามใจมันะจะทําอะไรก็ทําไปทําไปทําไป อ, อุบายผู้เจ้าจึงให้วิธีป่า ฮะเด็ดดูใจดูใจดูใจแต่งใจรักษาใจเสื้อไปนุ่งบอกรักษาใจไม่รู้จักคำว่ารักษาใจไม่ให้มันไปปรุงแต่งเรื่องโลจิยะ <c oughs> เดี๋ยวเนี่ยเราหนีจากโลจิยะแล้วถึงไม่ไดตลอดก็ชั่วได้ะสองเดือนสมเดือนแล้วหนีจากงูมาลองดู วัดออกไปมันเป็นยังไงอีกมันแตกต่างกันเลยถ้าไม่ตั้งใจคิดดูจุดนี้ก็ไม่รู้รสชาติศาสนาวัดมันเป็นยังไงละ่ะทีก็ <c oughs> วัดเฉยๆแล้วไม่ถึงวัดวัดอยู่ที่ไหนวัดที่ใจเขาวัดเถื่อยๆไม่ถึงพระพุทธเจ้าไม่เห็นก็พระพุทธเจ้าไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้พุทธะแปลว่าอะไรพระพุทธเจ้าคืออะไรพระพุทธเจ้าคือผู้รู้ รู้อะไรล่ะรู้สุขรู้ทุกข์รู้สวรรค์รู้นรก <c oughs> อ่าพระแปรล่ะพระแปรนิดหน่อยเราก็อาหารกายกับอาหารใจอาหารใจมันสงบอาหารกายมันยุ่ง Take care your mind. Wow. Look after your mind. Look after your mind. You have to be quiet. Come here. Uh, close, close your ear. Close your eye. Close your mouth, and be quiet and do meditation. If you talk, you you you talk and you listen too much. Your mind is not calm and peaceful. So uh, we want you to be calm and quiet. Food that you bring here uh, is f o o d for your body. Uh, he said to bring to bring the food in. You don't need to put in any bag. He want you to put everything into the bowl, into the m o k s bowl, so the m o n not to choose which is to eat. The m o n have to mix everything together, so to get get rid of our desire for the food. So the food to eat is just for to maintain the body, to have enough energy to do meditation. t h a the uh, Buddha, the Buddha teaching. So uh, the food is for your body, but uh, the meditation is for your mind. So uh, you come here and do meditation, calm your mind. You will, you will gain more knowledge. You will gain more uh, wisdom. Gain more wisdom. One day you will understand uh, the reality of life, how how to live the life. ยังไงล่ะเขาไปนั่งไหมเมื่อคืนนี่ดีไหมถามดูสิหลวปู่บอกไปนั่งดูเมื่อคืนนี่จะนั่งมากไหม เป น, นั่งแบบสบายดีไหมละ่ล ะ, ล ะ, ล ะ, ล ะ, ละ มิรุจันติกเอสังโวปะสัมโมสุโค เมราก ปะการังป่าวาตสตาปะมังกรา